มหาอิสดะบารมีอธิธ า, านพรรษานี้ขอตั้งกายานิจแผ่สมาธิจิตไป ย, ยังเหล่าฆาตธรรมทั้งหลายทั้งปวงโดยไม่มีประมาด้วยมหาเดตแห่งบุญของลูกนี้ปราถนาจิต ให้เหล่าท่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงจงมีอิทธิบาทในพระกุตรธรรมจเจริญพระสมณธรรมโดยบรยสุดเลิศล้ำอัมภัยเป็นพระอริยบุคคลทันใดแผ่เดชบุญยริเกิกใครแผ่อนิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาล อกคลุมทั่วพื้นภาคจักรวาลโดยไม่มีประมาณขอให้เราท่ารมทั้งหลายทั้งปวงจงเจริญในฌานรู้พระพุทธธรรมอันเป็นแก่นสารบรรลุพระอริยธรรมพันเข้าถึงพระนรึกพันโดยเลิศเถอ ด้วยมหาเดชแห่งบุญของลูกนี้ปรารถนาจิตให้ครอบครัวของเหล่าทาธรรมทั้งหลายทั้งปวงจงมีอิทธิบาทในพระกุศลธรรมให้บัรภะบุุษของเหล่าทาธรรมทั้งหลายทั้งปวงจงมีอิทธิบาทในพระกุศรธรรม ให้บุพการีของเราท่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงจงมีอิทธิบาทในพระบุคคลธรรมให้มารดาบิดาของเราท่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงจงมีอิทธิบาทในพระบุศรลธรรมให้ครูบาอาจารย์ของเราท่าธรรมทั้งหลายทั้งปวง จงมีอิทธิบาทในพระกุศลธรรมให้เหล่าญาติมิจสิสนิจสหายของเหล่าท่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงจงมีอิทธิบาทในพระกุศลธรรมให้เจ้ากรรมนายเวรของเหล่าท่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงจงมีอิทธิบาทในพระกุศลธรรม ให้ผู้จองล้านจองพานของเราธาตธรรมทั้งหลายทั้งปวงจงมีอิทธิบาทในพระกุตรธรรมเจริญพระสมณธรรมโดยบริสุทธิ์เลิศลังอัมภัยเป็นพระอริยะบุคคลทันใดแผ่เดชบุญยริสเกลไก ล, กลแผ่อานิสงอันยิ่งใหญ่ไพศาล ปกคลุมทั่วพื้นภาคจักรวาลโดยไม่มีประมาณขอให้ท่านทั้งหลายท่านผู้เจริญจงเจริญในฌานรูพระพุทธธรรมอันเป็นแก่นสารบรรลุพระอริยธรรมพันเข้าถึงพระนิคารโดยเลิศเธอ โดยมหาเดกแห่งบุญของลูกนี้ให้สัพพสัตทั้งควงจงมีอิทธิบาทในพระกุศลธรรมเจริญพระสมณธรรมโดยบริสุทธิ์เลิศลังอาําภัยเป็นพระอริยบุคคลทันใดแผ่เดกบุญยริสเกิดไก ล, ก ล, กล แผ่อาณิสง์อันยิ่งใหญ่ไพศาลปกคุมทั่วพื้นภาพจักรวาลโดยไม่มีประมาณให้สรรพสัตว์ทั้งปวงเหล่าธาตุธรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเฉลิญในฌานรู้พระพุทธธรรมอันเป็นเอกสารบรรลุพระอริยธรรมพัน เข้าถึงพระนริภานโดยเลิศเธอสาธุสาธุสาธุอะนุโมทามิสาธุสาธุสาธุนิพพานะปัจโยโหตุ